มันมีอาการเบอร์เบอร์เลยอยเนะ่ยเอา<บ>สติขึ้นมาก่อนเอาสติขึ้นตัวมาก่อนนีมันชัดเจนมันมีอาการเบอเบอร์เลยลอยไปทำอะไรไปยังไปทำอะไรมาอาจจะเพ่งพยายามอยู่กับตัวตลอดไ ม, ไม่ตองแล้ววางให้หมดเลยเดี๋ยวนี้เลยไอสติมันขึ้นตัวมันเป็นปกติก่อนทุกอย่างนะท่านมีสติไม่เป็นปกติสมาธิมันก็ไม่ปกติปัญญาญก็ไม่ปกติ สติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดสติมีสมาธิมีทำมีปัญญามีสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิมหาปัญญาเป็นพระนิพพานสติอันเดียวใ <c oughs> น, น, นปัจจุบันเนี้ยให้รู้สึกตัวอยู่เฉยเฉยอย่างเ ง, งี้ยในกายเราใจเราไปม่จำทําให้รู้ความรู้สึกตัวอะไรหรอเห็นว่าในกายในใจเรามีสภาว่าอย่างไรมีอาการอย่างไรปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นอย่างเงี้ย ไม่ต้องพยายามทำอะไรเพิ่มกันมาก่อนอันอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนถ้ามันได้รู้ว่าสติเป็นสติที่เป็นปัจจุบันเป็นยังไงมันเป็นสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งเราพยายามไปทำสติยิ่งไปทำความรู้สึกตัวยิ่งไม่รู้สึกตัวใหญ่เลยอันเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นปกติสติเป็นปกติสมาธิมันจะเป็นปกติปัญญาก็จะเป็นปกติทำก็จะเป็นปกติลองไปปรุงแต่งอะไรเขาเสีย้ววันทีเดียวไปปรุงแต่งอะไรเขาเลยพบกิเลสตัณหาอุปาทานพบชาติเป็นหุ้มทันทีเลย เมล็ดผิดปกติเบอร์เบอร์แบงแบงเราเข้าใจว่าจะทําให้มันเป็นยิ่งทำให้มันเป็นมันยิ่งหุ้มหลายชั้นหนาขึ้นไปอีกอเพราะอะไรเขาให้สิ้นปรุงแต่งแต่เรากลับไปเพิ่มความปุงแตง่ง <c oughs> มันสิ้นความหลงปรุงแต่งแค่นั้นแน่เอาวิชากิเลตันหาอุปทานพบชาติมันกระดับทันทีเนี่ยปฏิจจสมุปบาทก็หักสะบัน้นมันสิ้นอะไรลนะ่ะสิ้นอตัวเราไปปรุงแตง่งสิ้นอตัวเราพยายามไปทําอะไรให้เป็นอะไร สิ้นเอาตัวเราไปคิดดิ้นรนค้นหาพอเอาตัวเราไปทําอะไรมันเป็นอวิชชาทันทีเพราะอาวิชชาเขาก็เข้ากิเลสตันหาอุปาทานพชาติทันทีโดยอัตโนมัติของมันสิ้นเอาตัวเราอไปปรุงแต่งอวิชชาเขาก็ดับทันทีนั่นแหละปัญหามันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยในที่ว่าหลายคนมาเนี่ยเอาพยายามเอาตัวเราไปทําไปหาไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามพอตัวเราไปดิ้นปัญหามันเลยบอกว่าอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ว่า อาการที่เราไปรู้มันแต่ปัญหามันกลับอยู pour nous, pour nous. Nous pour ่ท de ี่ตัวเราที่เอาตัวเราไปทําเอาตัวเราไปดิ้นเอาตัวเราไปดูเอาตัวเราไปรู้เห็นแลเอาตัวเราไปจัดการมันในปัญหามันอยู่ที่ตัวเราจะเอาไปจัดการมันอาการเหล่านั้นนะเขาก็เป็นสังขารไม่มีใครไปจัดการมันก็ไม่มีอวิชชาแต่เราไปโทษว่าอาการเหล่านั้นมันเป็นอวิชชาความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นอวิชชาความรู้สึกว่าเรา เรารู้สึกหรือคิดเรามันเป็นเอาเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นอกุศลเราก็เลยจะไปจัดการมันอย่างเดียวเลยนยไอ้ความคิดเหล่านั้นอาการเหล่านั้นเป็นอาการเป็นสังขารธรรมดาแต่ตัวอวิชชาคือมนมีตัวเราจะ่เข้าไปจัดการมันเนี่ยในปัญหามันอยู่ที่ตัวเนี้ยมีตัวเราที่เข้าไปจัดการมันมันก็เลยเป็นอวิชชาเพราะพี่อวิชชามันก็เลยเป็นเนี่ยเพราะอวิชชามันก็เลยเป็นกิเลสตนาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติมาหุ้มเลยจะเป็นหุ้มเป็นชั้นชชั้นๆเลยยิ่งยิ่งดิ้นจี๋จี๋จี๋มหหุ้มลายชัน่็ เข้าใจไหมเข้าใจค่ะรวมทั้งตัวเราที่พยายามรักษาสติเนอตัวเราที่พยายามรักษาสตินั่นไหนๆตัวนั่นเน่ยมันยิ่งหนักเลยตัวเนี้ยกลัวค่ะสติกลัวหลงค่ะอืกลัวหลงเราจะประคองอ้าวนี่ไงตัวกลัวหลงมันมันเป็นอวิชาเนี่นะอ๋อมันหลงเอาแก่รู้ตัวไม่จะไปกลัวหลงมันหลงก็หลงเราก็แก่รู้ตัวขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาบ่อยๆมันก็มีสติขึ้นมาทุกครั้งที่หลง เราไม่หลงแล้วเราจะมีสติได้ยังไงอ่ะมันต้องหลงซะก่อนแล้วค่อยมีสติเมื่อกี้มีคนนึงที่เราบอกว่ามีชื่อชื่อหลงอ่ะเออพอเดี๋ยวสุดท้ายก็หายหลงมันต้องหลงซะก่อนนะมันถึงหายหลงอ่ะคนเรามันจะมันก็ต้องหลงไแต่ก่อนจะได้เห็นว่าความหลงเป็นยังไงมันจะได้มีสติมันจะได้อ๋อเนี่ยสติมันคือความไม่หลงเราต้องเห็นว่ามันหลงซะก่อนถึงจะมีสติไงเราจะเห็นว่าโอสติกับหลงมันต่างกันตรงนี้ เราต้องหลงซะก่อนไม่ใช่ละโกรมจะหลงเลยเลยรีบรักษาสติไว้เพื่อไม่ให้มันหลงอีตอนเราที่รักษาสตินะมันเลยเคยหลงไปก่อนแล้วเข้าใจไหมเนี่ยตรงเนี้ยหัวใจสําคัญมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเราหลงไปแล้วแต่เราเข้าใจว่าเรารักษาสติไว้มันจะได้ไม่หลงอันนี้มันคือหลงตั้งแต่รักษาสติแล้วเออแต่ถ้ามันหลงแล้วเราก็ลูกตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมีสติเดี๋ยวมันหลงใหม่แล้วก็ลุกตัวขึ้นมาแค่นั้นแหละแต่มันมีสติแป๊บเดียวมันก็ต้องหลงทำไปชา้าเลย หลงอีกเราก็รู้สึกตัวอีกยิ่งหลงเรายิ่งรู้สึกตัวเราก็ยังมีสติแต่พอเราไม่ทันหลงเลยเราเรีบมีสติรักษาสติไว้เพื่อไม่ให้มันหลงแต่เนี้ยหลงยาวเลยแต่นเนี้ยหลงรักษาสติยาวเลยก็คือถ้ามีตัวเราไปทําอะไรก็คือหลงเออถูกต้องเลยถูกต้องเลยถ้าถ้ามีตัวเราไปทําอะไรเนี้ยหลงหลงทันทีต้องมีตัวเราไปรักษาสติหลงทันทีเลย ไม่ทันหลงอะไรเลยแต่มีตัวเราไปรักษาสติเข้าอาวิชชากิเลสตัณหาบุตทานพบชาติทันทีเลยปฏิจจสมุปบาทมุนลิ่งลิงเลยคือท่านเที้ยวในทีเดียวมีตัวเราไปทําอะไรนะั่นแหละปฏิจจสมบัติหมุนลิ่งเลยเอ่ะอวิชชาเกิดตอนนี้เกิดหมดเลยกิเลสตัณหาบุตทานพบชาติทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจไม่ได้อย่างใจมันเกิดขึ้นทันทีเลยถึงตาถ้าไม่ทําอะไรเลยมันก็มันอยู่แบบ มันอยู่แบบเคว้งเคว้ล่องค้องเหมือนกับจริงๆมันต้องอยู่กับรู้ว่าเท่าที่จํามาก็คือมันต้องอยู่กับรู้แต่พออยู่จริงๆอ่ะมันมันมันมันมันไม่มีอะไรยังไงมันไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติอะไรอยู่กับรู้เนี่ยคือรู้อะไรอะก็รู้มันหลงนี่ไงอยู่กับรู้กะรู้ว่ามันหลงนี่ไงผมไม่หลงแล้วก็รู้ผมไม่หลงแต่นี่เราหลงไปรักษาสติเรายังไม่รู้เลยเนี่ยเราก็อยู่กับรู้อ่ะอยู่กับรู้คือ มันหลงอ่ะเราก็รู้อมันไม่หลงแล้วเราก็รู้นัก็อยู่กับรู้ไงแต่เน evet. ี้ยมันหลงอยู่เนี่ยเราไปหลงรักษาสติอยู่เนี่ยเพื่อไม่ให้มันหลงเนี่ยอันนี้มันหลงอยู่เงมีเราเข้าไปรักษาสติมันก็เลยมีตัวเราเป็นอวิชชาเริ่มต้นแล้วเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าอยู่กับรู้นะอ้าวก็นี่ก็บอกให้อยู่กับความรู้สึกตัวไงแต่เรารู้สึกตัวเพื่อไม่ให้มันหลงไงมันก็เลยหลงตั้งแต่ตรงเนี้ยเพราะอะไรเรารู้สึกตัวเพื่อไม่ให้ตัวเราหลงเรารู้สึกตัว ไว้เพื่อไม่ให้ตัวเราหลงเห็นไหมใช่แล้วนี่มันหลงไหมเป็นเอวิชาไหมมีตัวเราไ่มมีเราทำอ๋อก็หลงแล้วยังไม่รู้เนี่ยไม่เรียกว่าอยู่กับรู้นะอันเนี้ยอยู่กับหลงอยู่กับหลงนะไม่อยู่กับรู้นะอันเนี้ยเออแต่เราต้องปฏิบัติยังไงอะคะต้องปฏิบัติยังไงวิธีไม่ปฏิบัติอะไรเลยมันแล้วมันจะไม่ไปกับโลกอะคะอ้าวหลงมันจะได้รู้嘛 เนี่อยู่กับรู้มนหลงจะได้รู้ไหมพอมีความคิดขึ้นมาว่าความคิดอะไรขึ้นมาคิดจะทำอะไรคิดจะปฏิบัติอะไร ก, ก็คือก็คือแค่รู้หลวงตาบ่อยแล้วว่าหลักต้องแม่นหลักหลั ก, ห ล, กหลักต้องแม่นหลักคืออะไรสังขารทั้งหมดทุกกริยาการทุกความคิดทุกอาการต่อให้มันมีกริยาการอย่างไงก็ตาม ถ้าไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราก็้าไปมีส่วนได้เสียไม่มีตัวเราก็าไปร่วมทุกอย่างเป็นแค่สังขารธรรมดาเป็นแค่สังขารพวกแต่งธรรมดาไม่เป็นอวิชชาไม่เป็นอวิชชาก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานพบชาติเป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจการเลี้ยงใบตายเกิดแต่ทุกสังขารต่อให้ดีขนาดไหนเป็นกุศลขนาดไหนมีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสียพบเป็นอวิชชาทันทีเลยถ้าเป็นอวิชชาพบเป็นกิเลสตัณหา เป็นอุปทานพบชาติทันทีอาการต่อให้เป็นอกุศลเขาก็เป็นเพียงแค่อาการต่อให้เป็นทุกขเวทนาความรู้สึกไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายเป็นทุกขเวทนามันก็เป็นเพียงแต่อาการไม่ได้เป็นกิเลสตนาอะไรแต่มีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียปุ๊บเป็นกิเลสตนาทันที แต่ทุกๆครั้งที่มันขึ้นมามันก็มีมันก็เป็นตัวเราทันทีอะมันยังไม่มีกําลังสมาธิขนาดแบบขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกก็เป็นตัวเราแค่แค่เห็นมันแล้วไม่มีผลกับใจอะไรยเงี้ยะไม่ใช่เข้าใจผิดการที่ปุงขึ้นมาเป็นตัวเราทุกทีไม่ได้ไปกิเลสตัณหานะไม่ได้ไปดุวทานพกชาตินะถ้าเราเห็นด้ว่าที่มันปุงเป็นตัวเรามันเป็นสังขารไม่มีตัวเราไปยุ่งวุ่นวายกับจัดการที่มันปุงว่าเป็นตัวเรา สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงอาการของจิตแต่พอมันปรุงม่อมาเป็นมาเป็นรู้สึกก็เป็นตัวเราแล้วมีตัวเราเข้าไปจัดการความรู้สึกที่มันปรุงขึ้นมาเป็นตัวเราอันนี้แหละเป็นอาวิชาทางจิเลยวิจิตรตันหาเป็นอาจารย์ภพชาติเดือนั้นต่อให้มันปรุงเป็นตัวเราเอ้าอยากปรุงก็ปรุงไปเองอยากปรุงก็ปรุงไปแต่ข้าไม่ปรุงเองอยากปรุงก็ปรุงไปเออปรุงก็เป็นตัวเราตัวเราตัวเราแต่ข้าไม่ปรุงเอ้าปรุงก็ปรุงไปถ้าไม่มีตัวเราไม่มีส่วนได้เสีย ต่อให้มัปุงเป็นตัวเราต่อให้ปุงเป็นอะไรหมดมันก็เป็นสังขารทั้งหมดเลยเป็นสังขารปรุงแต่งไม่เป็นอวิชาเพราะอะไรไม่มีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสียอวิชาต้องมี ม, มีมีตัวเราก็าไปเป็นส่วนได้เสียจริ ง, รงคือตัวเราเนี่ยเข้าไปจริงๆแต่ถ้ามันแค่ปรุงมาว่าเป็นตัวเราแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปเป็นจริงๆไม่เป็นอวิชาตรงนี้ต้องแม่นมากนะผู้ปฏิบัติธรรมถ้า ไ, ไม่แม่นไม่แม่นในในหลักธรรมไม่เหมือนกับไม่แม่นในข้อกฎหมายเนี่ย แปลความคาดเคลื่อนหมดเลยแล้วปฏิบัติผิดหมดเลยแปลที่ไอที่ถูกกลายเป็นผิดไอ้ที่มันผิดเป็นกายเป็นถูกที่เราพูดมันเนี่ยไม่รู้กี่คำแล้วเนี่ยที่ราพูดมาทั้งหมดนะที่ที่รู้แต่ว่าเอาที่ผิดเป็นถูกเอาที่ถูกเป็นผิดปฏิบัติกับหัวกับหางการกับด้านยกตัวอย่างตอนเราอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกุธาใจลุทะโมพระอรหันต์อายุเก้า ตอนท่ามรณภาพอายุเก้าสิบแปดตอนท่านไกล้มรณภาพลูกตาตอนนั้นสมัยเป็นคารวะไปอยู่ปฏิบัติอยู่กับท่านพาลูกศิษย์ไปปฏิบัติกับท่านจํานวนมากไปแอบนวดท่านในที้แอบนวดท่านอยู่นานเกือบสองชั่วโมงก็ขอญาติท่านและในใจก็จะขอดูท่านหน่อยว่าอารหันต์เป็นยังไงคือทุกคนก็เชื่อก็ยอมรับว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ขอญาติหน่อย แต่ระว่างที่นวดท่านก็นวดไปนวดจริงๆไงนวดตัวท่านน่ะนวดทั้งตัวนี่มืองไปโดนนโดนนี่บางที่ก็ไปโดนไปโดนนมเหี่ยวๆของท่านบางขอโทษเถออะไรเนี่ยก็จะนวดทั้งตัวนมนิ่มๆเหมือนนมเด็กเลยอะเงี้ยแล้วก็ใจก็คิดรับก็ไปนะมันก็คิดในทางที่เป็นอกุศลแต่เราเนี่ยรู้ตัวตลอดนะก็ราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้ารู้ความคิดระยะไกลรู้ทุกคําที่คิดระยะไกลยังไงก็รู้ จึงแบบว่ากลัวท่านมากเลยแล้วย่งเอามือไปจับโดนตัวท่านเน่ยท่านยังรู้ทุกคิดก็เลยมีสติสัมปชัญญะคอยว่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาทํามคิดอย่างนี้วะคิดอย่างนี้ได้ไงท่านรู้ทุกคิดนะอะไรเงี้ยก็ระหว่างที่ทุกคนไปกับคิดต้นคิดนี่คิดนะ่นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้ทุกคิดพอโน่นเสร็จแล้วก้มลงกราบท่านขอเข้ามาเมื่อกี้เนะี่ยคิดอะไรสัพประริสัพปโดนนะ ก็ขอเข้ามาโดนท่านตาวาดเลยว่าไอ้ที่คิดอยู่นั่นแนหะรู้ตัวอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วจะเป็นโทษบาปกรรมอะไรแต่ที่รังขอเข้ามาเนี่ยไม่มีสติเลยเนี่ยกําลังเป็นโทษบาปกรรม <c oughs> ถึงบอกพวกเราปฏิบัติธรรมกับหัวกับหางไอ้ที่ไม่เป็นบาปก็เป็นบาปไอ้ที่มันไม่เป็นบาปแล้วกลับเป็นบาป <c oughs> บอกไม่รู้ตัวเลยมันมันเป็นบาปกรรมตาย ก it remained, it Abraham, you know, ็เรารู้ตัวมันจะเป็นบาปกรรมอะไรนะมันจะมันจะเมื่อกี้คิดมันคิดในกระจ้ามันนะว่าเรารู้ตัวอยู่เนี่ยไม่เป็นบาปกรรมอะไรไอ้ที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเราทิ้งความรู้ตัวไปกรับขอขมาถ้าจริงๆอ่ะดุตวาดเลยว่าเลยเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ไอ้ที่ทิ้งสติที่มันไม่รู้ตัวเนี่ยไปกลับขอขมาถ้าจริงๆไอ้นี่ยก็ลัเป็นบาปกรรมเพราะแหละไม่มีสติเลยแล้วที่เราพูดเนี่ยที่หลวงตาพูดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะที่บอกว่าเราจะให้หนูทําอะไร ไม่ทำอะไรเลยและคำนี้เป็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาสุภโทที่ท่านกล่าวววาจริงๆการปฏิบัติที่ดีที่สุดคืออะไรไม่ทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นแหละคือการปฏิบัติที่ดีที่สุดไม่ใช่จะไปปฏิบัติอะไรให้มันเป็น วางมันละวางตลอดเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นก็วางมันมีอะไรเกิดขึ้นจะดีจะชั่วยยังไงก็วางจะสุขจะทุกข์ยังไงก็วางวางคือปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับมันมันจะเป็นยังไงทั้งสุขและทุกข์ก็ปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่มีใครเข้าไปยึดถือสุขก็ไม่มีใครเข้าไปยึดถือทุกข์ก็ไม่มีใครเข้าไปยึดถือไม่มีใครพยายามจะกันไว้ไม่ให้ทุกข์ขอคําสอนไปเดี๋ยวเขาไปเร่งปฏิบัติ ไปภาวนาพุทโธกระหนํำเพื่อมันจะได้ไม่ทุกข์ไม่ใช่ไปกัรทุกแบบนั้นทุกอย่างอยู่ที่ใจยึดถืออย่างเดียวกิเลสและความทุกข์เกิดจากใจยึดถือดูที่ใจถ้าใจไม่เข้าไปยึดถืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างไรทุกอย่างใจก็ว่างเปล่าความสุขมีอยู่แต่ใจก็ว่างเปล่า ความทุกข์ไม่อยู่แต่ใจก็ว่างเปล่าวความทุกข์และกิเลสที่เป็นมาแตา่ทาให้เกิดความทุกข์มันมาจากใจที่เข้าไปยึดเท้านั้นแหละใจไม่เข้าไปยึดเอะไม่มีกิเลสไม่มีอุปทานไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพชาติเลยเพราะอาวิชาเกิดจากมีใจเข้าไปยึดมีตัวเราเข้าไปยึดทุกข์ก็ไม่มีตัวเราเข้าไปยึดสุขก็ไม่มีตัวเราเข้าไปยึด ตามมหาบัวพูดไว้ชัดเจนมากนอกจากขันห้าแล้วยังมีใจที่บริสุทธิ์ปล่อยวางขันห้าหมดเสร็จแล้วมายึดใจที่บริสุทธิ์เป็นอภิชาแม้ใจบริสุทธิ์แล้วแต่มีผู้ยึดใจบริสุทธิ์ก็ยังไม่สิ้นผู้ยึดต่อให้ใจที่บริสุทธิ์ยังยึดไม่ได้เลยเห็นไหมนับภาษาอะไรกับใจที่ไม่บริสุทธิ์แม้แต่ใจที่บริสุทธิ์ยังยึดไม่ได้เลย มันยึดไม่ได้ทั้งหมดเลยสุขก็ยึดไม่ได้เกินสุขไปอีกก็ว่างเลยอ่ะยังยึดไม่ได้เลยนั้นเราไม่มีทางเลยที่จะหากรรมวิธีไปปฏิบัติให้การทุกข์อ่ะไม่มีทางเพราะอะไรยิ่งเราไปปฏิบัติหาวิธีการให้ตัวเราไม่ทุกข์ให้มีแต่ความสุขโอ้โหอันนี้ทุกหน้าไปทุกคําที่พูดเดี๋ยวเป็นนเป็นธรรมแท้หมดเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดมาแล้วทั้งนั้น เป็นธรรมของพุทธเจ้าไม่ได้ไปทำของใครเลยก็ดูในในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอาการทางใจทางกายอย่างไรกระเรื่องมันเถอะไม่มีคนยึดตัอย่างใจก็ว่างเปล่าแต่อาการที่มันรู้สึกทําให้เราเนี่ยมันไม่สบายตัวไม่สบายกายไมัสบายใจมันก็ไม่ ม, มีอยู่แต่ใจว่างอาการที่ใจมันเป็นยังไงมันก็มีอยู่แต่ใจก็ว่างเพราะมีคนยึดไม่ใช่ไปยึดอะไรลองยึดใจที่ว่างเนี่ยไม่มีใจไปยึดอะไรแล้วใจมันเลยว่างแล้วเราไปยึดใจเขาดีมันยังทุกข์เลย ใจไม่ไปยึดอะไรแล้วแต่มันหวนกลับมายึดใจอ่ะเป็นทุกทันทีเลยมันได้้นทุกเห็นไหมอ่านใจเราให้ขาดว่ายึดหรือไม่ยึดอ่านใจให้ดีทุกขณะปัจจุบันสติปัญญาคือเครื่องอ่านใจทิ้งไม่ได้สติปัญญาไม่มีหน้าที่อะไรหรอกมีหน้าที่อ่านใจตัวเองให้ขาดอย่างเดียวเครื่องอ่านนะเครื่องอ่านเครื่องอ่านใจตนเองไม่มีอะไรเลือดประเสริฐเท่าสติปัญญาแล้ว อันตติปัญญาในเครื่องอ่านใจตัวเองว่าเราเนี่ยยังเข้าไปยึดอะไรอ่าใจเราเนี่ยยังเล like ือกอะไรอยู่ล่ะยังเลือกที่จะเอาอะไรและเลือกที่จะไม่เอาอะไรนั่นแหละคือยึดอ่านใจตัวเองเอ่ตับใจที่ยังเลือกที่จะเอาอะไรและเลือกที่จะไม่เอาอะไรนั่นแหะคือยึดเครื่องอ่านเนี่ยต้องอ่านได้ตัวเองคนอื่นก็เพียงแค่ชี้แน่แค่บอกแต่เครื่องอ่านเราเนี่ยต้องเห็นวยใจของเราเองว่า มันมีอย่างนี้อยู่จริง